เพราะความเจริญในธรรมสุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปะโพธิยานได้นำเสนอเรื่องบา ร, รมีธรรมมาถึงจุดที่จะสรุปในเรื่องพระเวสสันดรแต่ต้องการจะนำท่านผู้ฟังไปศึกษาธรรมะในเชิงที่เป็นรูปธรรมถึงสมบูรณ์ปัจจุบันก็เรียกว่าสัมผัสได้ แต่จริงมันสัมผัสได้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราไม่พยายามทําความเข้าใจในกรอบของคําว่าธรรมะเท่า น, นั้นเองเดี๋ยววันก่อนไปประชุมในเชิงวิชาการพูดไปพูดมาปรากฏว่าที่ประชุมไปเกิดแยกเป็นโลกกธรรมคดีโลกคดีธรรมโลกิยะโลกุตระอะไรต่ออะไรนี่นกระเจนว่าที่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกัน มันแตกต่างกันที่ความเข้มข้นเท่านั้นเองอย่างสมมติว่าศีลห้าเนี่ยเราก็มองในแง่ของธรรมะแต่ถามวิถีสังคมในทุกส่วนของโลกเนี่ยมันอยู่ในกรอบของศีลห้าหรือไม่ที่สังคมอยู่ร่วมกันไดปกติสุขเรียกชื่ อ, อยังไงก็ช่างไงนะ พฤติกรรมมันออกมาในรูปของการเคารพสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในครอบครัวในการรับฟังข้อมูล ข, ข่าวสารเพื่กันแลกการหรือไม่หรือทามันออกมาเป็นอย่างนั้นมันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าศีลห้านั่นเองเพราะอาการเคลื่อนไหวของสัตว์โลกเนี่ยจริงๆมันเป็นการเคลื่อนไหวอ ย, อยู่บนวิถีแห่งธรรมเพียงได้ว่าธรรมะมันก็มีอยู่สามกลุ่ม คกุศลและกุศลแล้วก็กลางกลงแต่การเคลื่อนไหวแบบกลางกลางเนี่ยมันมีน้อยส่วนใหญ่มันก็จะเกิดเป็นเจตนาดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ออกมาเป็นเจิงพฤติกรรมในด้านต่างๆรูปแบบของพระโพธิสัตว์มันเป็นการสะท้อนแง่มุมของความดีคือการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เนี่ยมันจะหนักไปในความดีแม้แต่คนอื่นสร้างปัญหาให้แก่ท่านท่านก็คงความดีเอาไว้ และปริมาณความดีเหล่านั้นก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนไปสลายความชั่วแล้วก็ทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงถ้าเรามองย้อนไปประมาณสักสามสี่สิบปีที่แล้วนะฮะก็ยุคจงพลปอพิบูลสงครามนะกันก็เรียกว่าก่อนปศห้ารอยนะ ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแล้วก็กลัวไม่กลา้าวิจารณ์ตรงก็ด่ากระทบพระเวสสันดรว่าขอรับชั่นเอาเงินข้างพระที่เงินเอารครั้งข้างชีไปบริจาคการอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็ไปโจมตีเรื่องการให้ลูกเรื่องการให้ปัญญาใจคอโฟดไรแล้วก็ได่าด่ากระทบพระพุทธเจ้าหายไปไดย คือนันเราไปวัดวัดจิตใจเรากับจิตใจของคนระดับพระโพธิสัตว์คือคนเราพอเป็นมหาบุรุษขึ้นมาเท่าไหร่นี่มากเท่าไหร่นี่สานึกของมหาบุรุษมากเท่าไหร่มันจะคิดถึงตัวเองน้อยลงไปเรื่อยๆและในสุดตัวเองมันไม่มีตัวตนให้ไปยึดเพราะนั้นพอไม่ไปยึดมันก็ทำงานเพื่อมนุษยชาติรูปแบบก็พระพุทธเจ้าพระหันเนี่ย แเราจะเห็นว่าท่านไม่มีตัวตนให้ยึดคือทํางานไม่ได้มองว่าท่านได้อะไรเพราะท่านไม่ต้องการอะไรแล้วมันไม่มีตัวตนให้ได้แต่ว่าก็ทํางานเพื่อประโยชน์เพื่อกูล์ก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการุเคราะห์ต่อเจ้าโลกเพราะในเรื่องราวของประเวสสันดรคือถ้าเราเอามาศึกษาในแง่ของธรรมะสิบสามกันเนี่ยก็ว่ากันได้เป็นเดือนเหมือนกันนะฮะแต่ว่า ก็ยกตัวอย่างให้ดูในตอนแรกเนี่ยอยากให้ตั้งข้อสังเกตว่าชีวิตของบุคคลเราที่เราเรียกว่าที่พเจ้าทรงแสดงโดยสรุปนะครับว่ากัมมังสเตวิพัชติยดีดังฮีนับปณีตตายกรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวคนประนียิ่งหย่ยอนแตกต่างกันออกไปและเป็นความแตกต่างกันโดยกำเนิดเลย ถ้าเรามองดูแม่ลูกคือพระเวชนนท์นนกับพระนางพฤษฎีจะได้ได้สังเกตว่าทั้งสองท่านได้รับพรแล้วก็พรจะท้า ก, กะด้วยกันทั้งคู่นะแต่ถ้าเรามองถึงพื้นฐานวาสนาบารมีกุศลกรรมที่ทั้งสองท่านสะสมเอาไว้เนี่ยมันก็จําแน่ก เ, เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมาก พรของพระนางสามาวดีสิบข้อเนี่ยมันเพื่อคนอื่นอยู่สองข้อเท่านั้นเองริบแปดข้อนั้นถ้ากวนเวียนในเรื่องรูปร่างกายอะไรแต่แรกของท่านอยู่คือเป็นห่วงเป็นใยในรูปร่างหน้าตาของท่านเนี่ยนั้นก็แสดงให้เห็นว่าในจงตรงนั้นแหละพระเวสสันดรมีบารมีแก่กล้ากว่าแก่กว่าพระนางคุสตี เราดูเลยมาจนถึงสมัยที่เป็นเจ้าชายจิตตะกะประนางสิริมามายาคือนางพระนางพุทธดีก็มาเกิดเป็นประนางสิริมามายานะครับพ้นบา ร, รมีธรรมตอนพระพุทธเจ้าศัสรูเนี่ยลองคนอื่นมาลุ้มมผลเป็นพระหันหมดนะแต่พระนางพุทธดีซึ่งมาประสูติเป็นพระนางสิริมามายาแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเนะี่ยเป็นแค่พระโสดาบันนั้นเลย นั่นก็แสดงให้เห็นดังว่าภายในจิตเราเนี่ยมันมีสิ่งที่อยู่เขาเรียกว่าอธิมุตบ้างอัธยาศัยบ้างอินทรีย์บ้างหลายๆระดับนะหมายความกุศลธรรมที่มีอยู่ภายในใจนั้นจะยิ่งหยอดไม่เหมือนกันแม้แต่การตั้งจิตอธิษฐานที่เราชื่นชมพระประถมบรมราชองการของระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่มันแสดงอัธยาศัยของมหาบุรุษ เราจัดกรองแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแข่งมาชนชาวสยามแต่ว่าต้องมีที่ที่ทางานนั่นนะหมายความถ้าไม่ได้กรองแผ่นดินมันก็ไม่มีโอกาสที่จะทำงานเพื่อประโยชน์สุขแข่งมาชนชาวสยาม แ, และสิ่งที่ก็เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่เราเพื่อพระองค์เนี่ยก็อยู่ข้อเดียว ก็เพื่อได้ครองแผ่นดินแต่ที่จริงก็เป็นคำเชิญชวนของคณะประชารัศดร น, นะฮะอันเชิญของคณะประชารัศดรตอนก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยลักษณะามาบุรุษเขาก็คิดอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ลองเทียบเคียงคําคําพร น, นะฮะพรของนางพุษดีที่นางพุษดีท่านขอตอนนั้นที่จริงก็เป็นเทพธิดาขอพรเนี่ยขอพรจากท้าสกะ ก็เราจะเห็นังว่าพรมันจะผูกพันคือห่วงใหญ่สิเนหาอะไรอยู่ในตัวเองเนี่เยอะเประการที่หนึ่งท่านบอกว่าวข้อที่หนึ่งเนี่ยพึงเป็นผู้มีจักสุ ด, ดำเหมือนตาลูกมารคีอายุขวบปีซึ่งดวงตาทั้งสองมีขนคิ้วดำสองพึงมีขนคิ้วดำเนี่ยคือเสียเวลาไปเยอะเลยไปขอพรในเนี่ย ทั้งสองข้อเนี่ยไม่มีความจำเป็นอะไรอะ่ะเพราะตามนุษย์มันก็ดำอยู่แล้วก็เป็นชาวชุมพูทวีตนะฮะยังไงก็ดำอยู่แล้วแต่ก็พึงมีขนคิ้วดำาพึงเกิดในราชนิเวศนั้นโดยนามพพุทษดีคอยมีชื่อพุทธดีเท่นั้นเองแสดงว่าทารักมีลักษณะห่วงใหญ่ตัวเองอยู่สูงในข้อต่อไปก็พึงไดโอรส ผู้ให้พัสดุอันเลิศประกอบเกื้อกูลในยาจกไม่สนีอันประชาต่างด้าบูชามีเกียรติมยียศอันนี้ก็เรียกว่าเพื่อคนอื่นแต่ที่จริงก็คือลูกของพระนางเองข้อที่หบอกว่าเ <c oughs> มื่อข้าพเจ้าทรงคันอุทธรอย่าโน่นขึ้นพึงมีอุทธรไม่นูนโตให้เสมอเป็นปกติดุดคันสอนที่ช่างเหล่าเก่าเสมอฉะนั้นไม่เห็นจำเป็นอะไรเลยนะเห็นไหมพรไม่จำเป็นทั้งสามข้อเลย มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วคือจะไปขออะไรที่มันเกินธรรมชาติไปประการต่อไปก็ยิง่งยิ่งแล้วใหญ่เลยนะฮะฐานทั้งคู่ของข้าพเจ้าอย่าพึงห้อยญาณแล้วข้อที่เจ็ดเนี่ยบอกว่าผมงอกจงอย่ามีในศีรษะในเสียนแห่งข้าข้อแปดปะทุลีละองอย่าพึงมีติดในในก ร, รัชกายโยตโลงมาทั้งหมดแนวเรื่องร่างกายทั้งนั้นเลย แล้วก็ต่อท่านความแก่คือไม่ปรารถนาความแก่ซึ่งความแก่มันเป็นสภาวะธรรมแล้วก็ท่านก็ไม่ต้องการนั่นก็ไปเสพความแก่แล้วในสุนย์นก็เดือดร้อนนะเราจะเห็นว่าสังขารเนี่ยที่จริงรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อหาสาระอะไรเพราะาร่างกายเราที่จริงเขาเรียกว่าปูติกายโยคือกายเน่าปูติสันเดโหคือกายเน่า บางทีเขาเรียกว่าโารคคันนิทังประพังคุณังเป็นรังของโรคแล้วก็ต้องแตกดับไปก็มีอยู่ข้อที่สิบเนี่ยไม่ใช่ข้อที่เก้าเนี่ยข้าพเจ้าพึงมีสามารถอำนาจเพื่อเปืเ่องคนทำบาปกรรมที่ผิดต่อพระราชกาหนดให้พ้นโทษได้แล้วก็ขอให้เป็นอารามสีของพระราชาในแคว้นสีผี ในราชนิเวศนกยูงนกกรเรียนร้องประกอบด้วยหมูนารีทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ขั้นอย่าบนปลือตัวเองตัวตรงว่ามีอยู่สองข้อแล้วจะจริงๆเพื่อผหูชนเนี่ยเพื่อชนมากก็มีอยู่ข้อเดียวนะครับจะสามารถที่จะปลดปล่อยคนที่ต้องโทษต้องอาญาแผ่นดินได้ก็กหมายความว่าจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ถ้าเราไปมองกลับถึง พรที่พระเวศสันรรับจากเทา้าส ก, กัดเทวราชมันก็มีข้อเดียวเพราะว่าท่านจะต้องได้มีโอกาสคือขอโอกาสอย่างเดียวว่าได้สเสวราจสมบัติแทนพระราชบิดาเพราะฉะนั้นคือที่ยืนที่จะเปิดโอกาสให้ท่านในทํางานในโอกาสต่ตอไปเพรันพรตรงนี้ถ้าเราไปเทียบเคียงกับพรของพระเจ้าพิมพิสาร ที่ท่านขอพอรท่านไม่ใช่อาไอ้ไม่ไม่ใช่ขอพอรก็เป็นรูปของการอาธิษฐานแต่ว่าอาธิษฐานทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการอาธิษฐานเพื่อตัวเองจะได้เป็นใหญ่อยู่เพียงอย่างเดียวก็คือให้ได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ครองแคว้นมคดเดี๋ยวข้อต่อไปก็เป็นเรื่องธรรมะ ขอประหารผู้สัจรูดีสัรุรชอบสเสด็จมายังแว่งแฟนของข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ได้เข้านั่งกลายพระหารพระองค์นั้นขอพระหานแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์แล้วขอให้ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมของพระนั้นเห็นไหมทั้งหมดนี้มุ่งไปสู่ธรรมะทั้งสี่ข้อก็เรียกว่าแปดสิบเอร์เซ็นนะนะมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ที่ธรรมะเพื่อธรรมของพระเวสสนดรมันแสดงถึงอัธยาศัยที่เรียกว่าอิเลสลดน้อยลงไปเยอะ บารมีแก่กล้าขึ้นเยอะบะขอให้ข้อหนึ่งก็ขอให้พระราชบิดาเนี่ยชื่นชมอนุโมทนาในบุญบารมีที่ท่านได้กระทามาแล้วก็ต้อนรับกลับสูราชบัลลังก์แต่การต่อไปเนี่ยขออย่าให้พอจะยินดีเมื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเนี่ยอย่าพอจะยินดีในการฆ่าคน แม้จะโทษประหารอะไรก็ตามก็ไม่พอใจยินดีที่จะทำอย่างนั้นเพราะจริงๆมนุษย์เนี่ยมันก็สามารถที่จะให้โอกาสเขานับตึงใหม่ได้นะหรือไม่อย่างนั้นก็แต่กลัวจะเป็นอันตรายก็ขังไว้ก่อนก็ได้จะไม่จะเป็นจะต้องไปฆ่าอะไรมันบาปเป็นกรรมเปล่าๆแล้วข้อต่อไปก็บอกว่าขอให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้พึ่งพาอาศัยพระองค์ทีนี้การที่จะช่วยคนรุปหมู่เหลาเนี่เนเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่ต่อเนื่องกันมาประการต่อไปก็ขออย่าให้มีใจคิดจะพอจะยินดีในทางเพศกับสตรีอื่นคือพัญญาของบุคคลอื่น แล้วก็มีสถารสันโดดคือยินดีในพัญญาตัวเองแล้วขอให้พระจะรถพระจะติดาซึ่งพระพรากลบไปจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามนะกลับคืนมาสู่บ้านเมืองแล้วก็มีอายุยืนจนถึงได้ครอบครองแผ่นดิตแล้วก็เมื่อกลับไปสู่เมืองพอสิ้นเวลาในแต่ละแต่ละวันเนี่ย ขอให้อาหารทิพย์เพราะว่าท่านมุ่งจะช่วยคนเยอะมุ่งจะช่วยคนเยอะก็อาหารธรรมดาบางคงจะช่วยไม่ทันนะนะคือผริดไม่ทันก็เกิดอาหารทิพย์ขึ้นมาแล้วก็เวลาบริจาคไปเนี่ยมันไม่รู้จักหมดสิ้นแล้วจิตใจก็ท่านจะผ่องใสยอยู่ตลอดคือรักษาคุณภาพจิตไว้ได้ตลอดไม่รู้สึกเสียดบเสียดายอะไรเลยแล้วก็ เมื่อตายจากนี้ไปแล้วก็ขอให้บังเกิดในสวรรค์จนต่อไปก็ขอให้สมเร็จเป็นพระโพธิญาณยุติการเยียวยาแต่เกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปมันมีแปดข้อนะแปลข้อเราลองสังเกตปะสหรับพระองค์แล้วเพียงข้อเดียวคือการได้เป็นกษัตริย์เป็นฐานที่ตั้งที่จะทำงานให้แก่ ประเทศชาติและประชาชนในโอกาสต่ตอไปนอกนั้นก็จะทําเพื่อผู้คนอื่นเพราะในชีวิตแบบอุดมคติอย่างเนี้ยมันก็กลายเป็นเป็นตัวอย่างที่สอนคนให้เห็นว่าชีวิตของคนระดับมหาบุรุษมันจะคิดแบบสามัญไม่ได้ก็ถ้ายังคิดสามัญอยู่มันก็เป็นมหาบุรุษไม่ได้คนที่ มีความรักมนุษยชาติพร้อมที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปช่วยเหลือเกื้อกูลแกบุคคลอื่นนั้นเขาเรียกว่าเป็นหมหาบุรุษคือมีพื้นฐานทางกรุณาในสูงทีนี้ในในกรณีของอาการอะไรล่ะการแรกนะฮะทศพร น, นิมาพานธานการอะไรเนี่ยเหมือนก็สะท้อนอะไรหลายๆเรื่องยกตัวอย่างเช่น ลักษณะทางสังคมคือแคว้นกาลิงกราราเนี่ยเวลาปัญหาเกิดขึ้นก็เรียกว่าข้าวยากมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลคนในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะไม่มองไปที่อื่นเพราะถือว่าความวิปริตแปรปรวนก็ธรรมชาติมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของมนุษย์คือถ้ามันมุดประพฤติปฏิบัตินอกศีลนอกธรรมมากแล้วเนี่ยฟ้าดินมันวิปริตไปหมดเลย อย่างโลกในปัจจุบันเราจะเห็นว่าความบิบบริตต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยไม่น่าเชื่อเรื่องมาเรื่องเมื่อก่อนดูข่าวที่นิวยอร์กแท้ๆนะฮะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษไปนักเที่ยวท่องเที่ยวไปชมกิจกรรมอะไรไมันจะนักเที่ยวก็นักท่องเที่ยวมันถูกรังแกท่ามกลางคนจํานวนเป็นพันๆหมืม่นๆ คนเห็นไม่มีใครสนใจไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครปกป้องไม่มีใครห้ามปราบตำรวจเองก็ไม่ทำหน้าที่เลยยังนึกเป็นห่วงอยู่ว่าเรารับวัฒนธรรมหายนานธรรมมาจากสาระบ่อยๆเนี่ยแล้วมันก็ไปแทรกซึบอยู่ในจิตใจของโยชนของเราแต่ว่าหลังกเกิดก้าวราวรุนแรงอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงเพราะข่าวคราวที่ แต่รังแกผู้หญิงบรอเมยซึ่งจนถึงก็ตายกันในวันก่อนเนี่ยมันฟังแล้วน่าสยดสยองอแสดงถึงจิตใจนั้นตกต่ำลงไปอย่แต่ถ้าเรามองไปที่แคว้นกลิงกราชเราจะเห็นว่าพอมันเกิดปัญหาว่าข้าวยากหมักแผงขึ้นมาฝนไม่ตกต้องตามบรรลการมีปัญหาในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมของประชาชนพระราชาก็ตรวจสอบถึงการปฏิบัติของพระองค์ ล้วก็ไม่เห็นความบกพร่องมันก็ต้องหาสาเหตุจากที่นื่แล้วก็แก้ไขกันโดยวิธีการต่างๆและในที่สุดมันก็ตกลงว่าต้องขอช้างปัจจัยนาเขตไปมันเป็นความคิดระดับขวัญกำลังใจคือจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้อะปฏิจจังไปถึงฝนมันก็ตกตองระดับมาดูกาขึ้นมาแต่ว่าเป็นแนวอย่างหนึ่งเวลาปัญหานั้นมันไม่โยนลูกออกนอก เราส so ังเกตว่าบางทีแม้แต่ภาคของรัฐเองเวลามีปัญหาแล้วอยู่ในรัฐบาลก่อนๆเนี่ยเดี๋ยบางทีตัวเองก็ร่วมรัฐบาลด้วยเนี่ยลืมไปโยนโยนลูกออกนอกตลอดเลยไม่พยายามที่จะรับผิดชอบในเรื่องตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะเป็นเพราะเป็นมันก็มันดีมันตอบสนองภาวะทัศหาของตัวเองใหญ่ดีแต่ว่าการทํางานนั้นจะต้องใช้ความเพียนเสียสละ ทุมเทลงไปเพื่อส่วนรวมคนเลยก็ไม่ค่อยทำอยากเป็นแต่ก็ไม่ทำอันนี้คือปัญหาคาแผ่นดินในบ้านในเมืองเรามีทุกจุดนะฮนมีมากหรือมีน้อยเท่านั้นประการต่อไปก็เมื่อพระบางขอช้างปัจจั ย, ยนาเราเห็นว่าพระเิสทสันรถ้าเกิดปิติประโมทแล้วทุกครั้งที่ท่านให้เนี่ย ทุกครั้งที่ท่านให้ทานท่านคิดอยากจะให้ที่เหนือกว่านั้นอันนี้ถือว่าเป็นจิตที่พิเศษมากคือคนทั่วไปคิดไม่ได้หรอแต่ว่าคนระดับพระโพธิสัตว์เนี่ยก็คิดได้ดันั้นถ้าเราดูในสมัยที่ท่านเป็นพระเวสสันดรเราจะพบว่ามีการบริจาคทานถึงเจ็ดครั้งในเวลาที่ มีประโชน์มายุได้แปดพันสาแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ในการต่อมาก็ในตอนให้ตอนเด็กๆนะให้ตอนเด็กๆเนี่ยมันก็คิดจะให้อะไรขึ้นไปและในการต่อมาก็ได้ให้นะฮเช่นว่าอยากจะให้แม้แต่เนื้อหัวใจแก่คนที่มาขอพะนั้นก็แสดงว่าเป็นฐานะพบารมีดนะ้ หรือต้องการจะให้พระราชทานมงคลหนัดถีคือช่างปจัจจายณะเขตในที่สุดก็ได้ให้นะแล้วพระราชโอรสพระมาเหสีแล้วก็สามารถที่จะให้อะไรในทํากลางพระปยุรยาตอีกมากซึ่งแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยแม้ชีวิตของโปรงเองก็พร้อมที่จะให้ เขาให้ได้มาซึ่งสัพพัญญุตยานเท่านั้นแต่ถามว่าสัพพัญญุตยานเนี่ยมันช่วยพระองค์ได้เพียงองค์เดียวเท่านั้นเองแต่ว่าช่วยโลกเดมันหมาศารมากๆก็ทําให้เรามองว่าเออความเป็นศาสดาของพระพุทธเจ้าเรานั้นไม่ได้อาศัยการดลบรรดาลการประสิทธิ์ประสาทการส่งเสริมสนับสนุนการอุ้มชูของใครมาแต่ประการใดเป็นเรื่องของความเพียรพยายาม และวมันก็กนเป็นโครงสร้างหลักของพุทธศาสนิกชนที่ว่าเมื่อต้องการผลอะไรกระทำก็ต้องใช้ความเปี่ยนพยายามที่ถูกต้องเหมาะสมแก่การเกิดผลนั้นๆมันไม่ใช่พยายามอย่างหนึ่งแต่พอของอยู่ทิศหนึ่งแล้วก็เดินไปทางทิศหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้เราจะเห็นว่าประชาชนเวลากโกรธเสียดายหรือโกรธทั้งโกรธทั้งเสียดายแล้วค่อนขออ้างจะปลุกระดมด้วยนะ มันเป็นมวลชนที่สับสนมันก็เห็นแนวอย่างเนี่ยว่าไอ้นแนวปลูกระดมทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีเหตุผลและเป็นความสับสนแล้วคนในรู้อะไรไม่จริงอ่ะตัวอย่างในเรื่องพระเวสสันดนรเราจะเห็นว่ามีการปลูกระดมสองสามครั้งเลยกัแต่ว่าครั้งที่ต่อต้านคัดค้านเรื่องการบริจาคช้างปัจจญาเนเขตเนี่ยถือว่าบกพร่องมากที่สุด เพราะอะไรเพราะว่าช้างนั้นเป็นช้างของท่านนะไม่จะเป็นช้างส่วนตัวไม่จะสมบัติของแผ่นดินแล้วถ้ามองถึงว่าวิเทสบายต่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยมันต้องช่วยเหลือกันถ้าไม่ช่วยเหลือกันเราจะอยู่กันได้อย่างไงเราย้ายประเทศหนีไม่ได้นะฮะไม่เหมือนประเทศไทยเราเนี่ยฮะกับลาวกับขเขมรกับพามา่ากับมาเลสตลอดถึงเวียดนามเนี่ย สิงคโปร์อะไรอะไรเนี่ยมันจะต้องพยายามหาทางที่ไม่มีการขัดแยง้งเพราะย้ายประเทศนี้ไม่ได้แตจะต้องสร้างความสัมพันธ์เป็นอหนึ่งกันเดียวกันให้เกิดขึ้นอันนี้ก็คือหลักการนะแต่จเจนว่าจะมองในแนววิเทศสบายและจะมองในแนวการให้ทานมันเป็นสิ่งที่ควรแก่การกระทําทั้งนั้น แต่ว่าคนเราพอมันเกิดสับสนแล้วก็สับสนคือมันมั่วไปหมดเลยแต่ดมาก็เดินขบวนขับไล่ประเวสสันอนแต่เรามองดูให้ดีนะฮะคือม็อบจัดตั้งขึ้นมาของคนกลุ่มหนึ่งที่แกก็สับสนในบทบาทของตัวเองแต่พวกเหล่านี้ก็เอามาใช้ ค, ค่มขู่สังคมได้ตลอดแม้ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามต้องฟังเท่ไหร่ แต่หงระพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่นี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจุมมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี